เป็นผลบุญที่ตนได้ทำมาใจชาติก่อนมาอำนวยให้แล้วส่วนที่ผลที่บุคคลประพฤติทำในโลกนี้ที่จะได้รับก็คือได้รับทาง จ, จิตใจทำให้ใจสบายทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในเรื่องบาบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์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 หากว่าผู้ใดรักษาจิตของตนให้ดีสัมรวมจิตของตนให้แน่วแน่ให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในกุศลความดีของตนที่ตนกระทำมาไม่ไปเชื่อปรำประลาไปอย่างอื่นเลยเชื่อต่อความดีของตัวเองนี่แหละอันสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดในสากลโลกนี่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 ยังจะต้องเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้บุญกุศลเหล่านี้ก็จะอุปถัมภำรุงให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนี่แหละชีวิตของคนเรานะคอยหพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วก็ได้นำมา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 หรือว่าค้าขายก็ไม่ค่อยมีกำไรอะไรมนีชฉลอยว่าบุญกุศลที่ทานี่จักไม่อำนวยผลแล้วก็มังบางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นก็มีนี่เรียกว่าเข้าใจสับสนกันไปก็ธรรมดาว่าไอ้บุญและบาปนี่นะมันจัไม่ก้าวกล่าวก้าว่ายกันเลย ถ้าบุญกุศลหอนหลังเนะี่ยมันยังอํานวยผลให้อยู่บุญที่ทําในปัจจุบันนี่มันก็อํานวยผลให้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแม่บาปก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบาปกรรมที่บุคคลผู้นั้นกระทามาแต่ก่อนมันมาอํานวยผลให้อยู่บุคคลนั้นจะทําบาปกรรมอย่างไรในปัจจุบันนี้บาปกรรมนั้นมันก็ยังอํานวยผลให้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลย เพราะว่าบาปเก่านั้นมันยังให้ผลอยู่เออก็คอยเข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้อันชีวิตของคนเรานี่นนะเมื่อเมื่อเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วผู้ใดมา พ, พิจารณาดูตนเห็นว่าตนนั้นยังมีบุญน้อยอยู่เพราะมีความสุขน้อยไม่มากอย่างนี้แล้วก็จะต้องไม่ประมาทมานันนี่รี เ, รเพร่งบาเพ็ญบุญกุศลเข้าไป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 ที่มันจะมีอยู่ได้ก็เพราะผู้นั้นสร้างมันขึ้นมาต่างหากอความสุขก็เหมือนกันน ะ, ะเมื่อบุคคลทาเหตุแห่งความดีมากๆเข้าไปในแต่ชาติก่อนนู้นเหตุแห่งความดีนั้นมันก็อานวยผลในชาตินี้ผู้นั้นก็มีความสุขมากมันก็เกิดจากจิตตรงนี้เองหละเลอจิตตรงนี้แต่ชาติก่อนนู้นนะพอใจในบุญกุศลมากทีเดียว ทำบุญกุศลมากอย่างนี้นะ่ผลมันนำหนวยให้ในชาตินี้มันก็มากถ้าหากว่าพอใจในบุญกุศลแต่น้อยทําบุญแต่น้อยมันนํานวยผลในชาตินี้มันก็เพียงเล็กน้อยเอมันก็ไปตาม <c oughs> กําลังของการกระทํานั่นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาทําบุญกุศลในชาตินี้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 ก็จึงสามารถละบาปกรมไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสํารวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยได้อันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาสินนี่มันเป็นกุศลเนี่ว่าเป็นความดีอย่างสูงเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาอันปัญญานี่มันย่อมเกิดจากการประกอบ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 บาปกรรมอันเป็นอดีตล่วงมาแล้วมันก็มาโผล่ขึ้นในจิตใจนี่นั่นเป็นปัจจุบันนี้ <c oughs> เมื่อเรารู้ว่านี่บาปอ ก, กุศลก็กำหนดละมันไปเลยบัดนี้แหละเราจะละบาปได้ในตอนนี้แหละบัด น, นีเออ้เราภาวนาลงไปทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสมันดิ้นออกมาตัวไหนเราก็เห็นมันแหละเมื่อเห็นมาแล้วก็ละมันบนัดนี้อธิษฐานใจละเรื่อยไป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 พบ ว, ว่าความพลังเผอมันต้องมีการทําบาปทําชั่วบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้นะดังนั้นเราเราจะเห็นตัวบาปต่างได้ก็ต่อเมื่อเรานั่งธรรมิภาวนาเข้าไปเมื่อ น, น้อมจิตลงสู่ความสงบอย่างนี้บาปมันดิ้นจิตจะจะสงบไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านมันจะอึดอัดขั ด, ข, ดข้องอะไรต่ออะไรขึ้นมา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 พระองค์ประทับนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนะั่นตอนปฐมพยายามหัวค่ํำอ้าวกิเลสสมานต่างๆก็กุ้มลุมพระองค์เลยทีเดียววันนี้ออพระองค์ก็รู้ว่ากิเลสสมานนี่มันมาคุกคามแล้วพระองค์ก็ไม่ท้อไม่ถอยสู้ไปสู้มาแบบ น, นี้เมื่อมันรุนแรงเข้ามง่ากแล้ว พระองค์ก็นึกถึงพระบรมมีธรรมที่พระองค์ได้อบรมสั่งสมมาแต่อเนกชาติถ้าหากว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทาบำเพ็ญ ม, มานั้นหากมีจริงแล้วก็ขอให้มาปรากฏขึ้นในขณะนี้เป็นสักขีพย า, ยานของข้าพเจ้าในบัดนี้ทันใดนั้น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 แต่พระพุทธเจ้าแท่พระองค์ก็ยังมีกิเลสสมานติดสอยห้อยตามรังควานบวรบกวนพระองค์ย้อนวาระสุดท้ายนนฉน์ชาไหนเราคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะไม่ให้กิเลสมันคุกคามเอานั้นไม่ได้เลยอกิเลสมันต้องคุกคามแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอได้พากันตั้งอกตั้งใจ